ต่อคน 4 ขั้นสวรรค์ 4 แบบโดย 4 พฤษภาคม 2540 ที่พุทธสถานสันติอโศก เจริญธรรมผู้ที่ยังตั้งใจมา ยิ่งได้ฟัง สูงส่งธรรมะในระดับโลกียะนั้นไม่ใช่เกือบทุกศาสนานั่นแหละถ้านับเป็นเป็นศาสนาเป็นแค่ลัทธิๆมันมี สุดท้ายมันก็ทําให้ศาสนาคือมีคุณงามความดีเพียบพอที่จะ ก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นส่วนศาสนาพุทธนั้นมีของพิเศษมีความ มีในศาสนาพุทธนี้เท่านั้นแหละวิภวะภพ เป็นวิสามัญจริงๆหรือมีวิภวะตัณหาเนี่ยเป็นภพที่ถือว่าภพที่มี มีความชัดมีความแม่นยำมีความแม่นยํามีความ พลวิจิกิจฉาหมายความ วิจิกิจฉาก็คือมีทิฏฐิที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิแต่มี IQ มีความเฉลียวฉลาดเพียงพอที่จะเข้าใจ ด้วยหลักเหตุด้วยหลักผลเท่านั้นเองแต่ถ้าจะ ตัวผัสสะนั้นมีการกําหนดรู้ไปสัมผัสแล้วเกิดความรู้สึกวิจัยเวทนาลงไปในเวทนาตามหลัก วิจัยลงไปจนกระทั่งเห็นความเป็นอนิจจังนี้อาตมาอธิบายให้ฟังซ้ําซากบ่อยๆทุกคนที่ติดตามฟัง เข้าใจความหมายแล้วก็เข้าใจสภาพจริงเข้าใจอาการของกิเลสอาการของจิตอาการที่แยกวิเคราะห์ออกเลยว่ารู้รูปนามได้ต้องรู้อาการลิงขณิมิตรู้เครื่องหมายของมันว่าอย่างนี้แสดงว่าอาการอย่าง อาตมาก็อธิบายฟังว่าจะพ้นแล้วมันไม่เที่ยงด้วยสามารถมันไม่เที่ยงเพราะเรา มันเปลี่ยนแปลงไปแต่เปลี่ยนอะไรนี่จริงๆต้องเห็นสภาวะนั้นมีญาณๆนะพ้นมิจฉาทิฐิ เพราะฉะนั้นจึงต้อง แต่ที่จะเข้าเขตพระพุทธเจ้าทรงจะเข้าเขตโสดาบันแล้ว ไม่ใช่แท้ไม่ตกต่ําเท่านั้นนะคุณอาจจะพ้นขีดโสดาแต่คุณก็ไปว่ายึดยืออยู่จริงมาตรฐานไม่ต่ํากว่ามาตรฐานแต่ก็เกรดนะไม่ให้ต่ํา แต่ก็ไม่ขึ้นขึ้นๆลงๆขึ้นๆอยู่อย่างนั้นนาน เจริญสูงไปคือที่สุดไม่ใช่ไม่ต่ํากว่ามาตรฐานแต่ไม่ไปไหนเบี้ยอยู่ตรงนี้ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติล้านชาติก็อยู่ตรงเนี้ยโสดา <g ül> ถ้าคุณมีกิเลสอยู่ 100 หน่วยแบ่งออกเป็น 10 หน่วยคุณทําได้ 3 หน่วย นะถ้า 7 รอบให้ 7 สภาพ 7 รอบ 7 ขั้นเนี่ยให้กิเลส 7 ครั้งไอ้อย่างงี้ไม่ได้ปฏิบัติอะไรมีแต่โรงแรง มาในเรื่องของศาสนาของพุทธเจ้าที่ แล้วข้างในนี่ก็โอ้โหเยอะ ทำให้เขาเกื้อลกุตระศาสนาใดๆเค้าก็มีดีดีเป็นโลกุตระอย่างนั้นยังไงให้กายกรรมอย่างนี้ดีให้วจีกรรมอย่างนี้ดีให้ใจดีให้มโนกรรม เพราะว่าๆของคนๆเนี่ยมันมีทั้งนั้นเข้าใจดีคืออะไรเอ่อเฟื้อเจือจานมันดีเสียสละมันดีกตัญญูกตเวทีดี โลภโกรธหลงที่มันเป็นเจ้าเรือนใหญ่ ว่าทั้งโลกว่าคนจะต้องดีต้องขยันหมั่นเพียรต้องสร้างสรรต้องเสีย มันไม่ตกต่ํากว่านั้นไม่ใช่ไม่ก็คือสิ่งที่เลวๆต่ําๆขนาดนั้นแล้วนี่ ขนาดนี้คือความชั่วที่มนุษย์รู้กันดีทั่วทั่วและทุกคนก็รู้เข้าใจอ่าอยากเลิก เป็นหลักประกันแน่นอนเลยว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นตถตะจริงๆเลยน่ะเป็นอย่างตถตะตาอวิตตะตา เป็นธรรมนิยาม 4 อย่างนี้อย่างแน่แท้เป็นอย่างนั้นเป็นโดยอัตโนมัติคือเป็นเองเป็นมันไม่แกร่งมันไม่ฝืนไม่ไม่อะไรแล้ว เป็นเองเป็นอย่างนั้นเองเลยไม่ต้องมีใครไปช่วยเป็น ละเอียดมากเลยภาษาพวกนี้และสภาพเราต้องรู้ว่าสภาพเป็นอย่างนั้น ก็มันไม่มีไม่มีตัวยืนยันเป็นหลักประกันเด็ดขาดอย่างของพุทธของพุทธนี่เห็น เพื่อที่จะเห็นชัดเจนว่าอาการอย่างนี้นะนี่เครื่องหมายมันบอกว่าอย่าง เอ่อประเภทเดียวกันแต่มันก็ต่างกันโทสะก็มีต่างกันพิสดาร กับเหลือน้อยที่สุดก็ต่างกันคุณก็ต้องรู้ความต่างนี้ได้ เมื่อรู้แล้วความต่างแล้วเราจะต้องไปเออเราตรวจสอบแล้วมีเออต่างกันกับแต่ ที่พูดนี่มันนามมา แล้วนิพพานนี่ ทั้งนั้นก็เป็นตัณหาไม่ได้สิเป็นตัณหานิพพานไม่ได้นี่มัน อยากได้นิพพานคืออยากได้การ อ่าตัณหาในภพ นี่มันเราได้เราเป็นเรามีแล้วนี่จิตอรหันต์เนี่ยนะว่างั้นนะคุณก็ยังไม่ ก็เป็นที่ปฏิสัตว์ละเป็นจิตปฏิสัตว์ที่จะ มันไม่เอาอีรอง เพราะงั้นในวิภวตัณหาเนี่ยถ้าเผื่อว่าไม่เรียนรู้กันจริงๆแล้วก็อธิบายกันผิด หน้าได้หน้ามีหน้าเป็นราคะโลภะถ้าไม่อยากได้ก็ลักษณะโทสะ เมื่อไม่อยากได้แล้วไม่มีแล้วมันดียังไงแล้วมันเป็นสภาวะยังไงซอนลงไปนะเพราะงั้นเรียนรู้ตั้งแต่ต่ําๆเรานี่อยากได้สิ่งนั้นมาเสพอยากได้สิ่งนี้อยากได้อย่างง้นอย่างนี้มีอยู่อะไรเงี้ย ติดตรงนั้นห้อยตรงนี้อวดอ้างเค้าว่าฉันมีทองคํานะนี่ทองคําของราคาแพงนะในบรรดาโลหะทั้งหลายอวดอ้างเค้าแล้วก็มาแต่ง เออหนักใครของใครจะสวยกันแน่ถ้าไปเอาแบบของฝรั่งออกแบบไทยออกแบบทางกรรมการไทย ของแบบฝรั่งโชนนามันก็สมมุติกันขึ้นมาเท่านั้นเองนะแต่ว่าศิลปะหรือว่าอะไรก็ตามใจมันก็อย่างเงี้ยนะมันสิ่งที่ตกแต่งศิลปะก็คือฝีมือช่างทําขึ้นนะฝีมือ ลึกๆขึ้นมาศิลปะในระดับมงคลอนุโดมพระ กิเลสกามกิเลสโลภโกรธหลงหรือกิเลสราคะโทสะโมหะ ประทับใจได้เป็นศิลปะและแถมลด ถ้ามันกลายเป็นยิ่งเสริมให้คนเกิดทุกวันนี้ไม่เข้าใจกันน่ะศิลปะอะไรก็ เขาว่าจะต้องลึกซึ้งจะต้องมองจะต้องกันเป็นสภาพนามะ จิตวิญญาณนามธรรมจิตเจตสิกรูปนิพพานนั่นแหละนามธรรมแต่เค้าไม่รู้เรื่องนามธรรมเป็นอรูปปั้น อาตมาไม่อยากพูดมากเพราะว่าไม่อยากจะทะเลาะกับรู้ตัวเองเห็นแล้วตัวเองปั้นเองนะคนอื่นไม่ เรียนมาแค่อนุปริญญาไม่ถึงปริญญาเถียงกันเข้าได้ก็ว่าเอาก็เถอะไม่เป็นไรอาตมาก็ไม่ได้ไป แม้แต่คนแม้แต่วัตถุแม้แต่สิ่งก่อสร้างแม้แต่อะไรเนี่ยหินดินปูนเอาหมดน่ะอาตมาเอามาทําแทนที่จะไปเขียนแต่ภาพภาพ ถึงข้านประทับใจถึงข้านชื่นชอบสุขธอร์สิลระปาก seri. สิรระปาก والและ Ein, อยู่ По Ans is there two actually. สิรระปาก Seri Hai, Z累 ifran моя AMA, นึงสุขธอร์สาธิราชาติ Langstanding of Your Body art by Mazami. สArtап 여러분 struggle, subs capable. สrage這iapata am antes ma in is least two łagary。ก็ความชื่นชอบเ Lau, q is your śpaki of the found one being. เกิดลถยินดี พูดให้จดตรงเรียกว่าศิลปะนี่นั่นเองเรียกว่าศิลปะเพราะฉะนั้นกูจะเขียนรูปโปก็ได้ ทนมากกิเลสขึ้นนะมันขี้รถมีบางภาพน้อยนักที่เขียนรูปโปกี่ <c oughs> ปลูกคล้าให้คนมากินแมคโครไบโอติกแต่แม่ครัวหัวป่าปรุงอาหารมาอ้อให้คนติด <c oughs> อ่าอาหารของไมโครไบโอติกก็อาจจะอร่อยได้บ้างแต่ว่าไม่ถึงกับขนาดให้คนติด รốt ติดกามแต่ให้คนติด หนทางในการที่จะทําให้คนเราเข้าไปสู่โลกุตระอร่อยกิน อย่างนี้ก็จริงนะนี้ก็จริงนะถ้ามันไม่จริงอ่าก็มันเมื่อไหร่มันก็ยังอยู่กระเหล่าอ่ะมันไม่จริง ที่ของคุณไปสมมุติว่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วคุณ ต้องยังยินหน่อยดีกว่าอืมต้องเหม็นๆกว่านี้หน่อยๆปลาไอ้นี่มันไม่เหม็น มันจะเป็นของรูปของรถของติ่งของเสียงอะไรหรอกตามแต่เกี่ยวกับรูปรถกี่เสียงก็ได้เอามาประกอบเป็นฆ่าที่ตัว คนเราก็มีจิตนี่แหละเป็นตัวกําหนดเป็นตัวที่เป็นอย่างนั้นเพราะงั้นใครจะอาฆาตอย่างนั้นอยู่ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางไม่ยอมเลิกราคุณก็ต่อไป อนุชาหรือเพื่อที่จะส่วนอรหัตผลนั้นแค่ใบไม้กํามือเดียวท่านก็ได้แล้วแต่ท่านจะศึกษาใบไม้ทั้งป่าใบ ถือท่านไม่ได้เสพเพื่อตนแม้ท่านจะทํางานต่อท่านจะศึกษาต่อศึกษา เกิดลงนรกขึ้นสวรรค์แบบหลอกพระพุทธเจ้าจึงใครจบมีสิทธิ์ที่จะปรินิพพานแล้วนั่นจบ แต่ถ้าคุณจะต่อคุณต่อไปอีกคุณก็เหนื่อยก็เป็นทุกข์ที่ทน เออก็ยังมีวิปาก 10 อย่างเนี่ยอย่างไหนที่มันเป็น ส่วนถ้ายังเกิดอยู่ทุกข์เลี้ยงไม่ได้อีกทั้ง 6 ทุกข์นั่นน่ะมันก็จะต้องตราบอยู่นะรูปพระอรหันต์เจ้า รู้เวทนาก็ไม่เที่ยงอยู่อย่างตลอดหรอกจะสุขเป็นพระอรหันต์ Blue light ฟะลาหลแฮน้องรู้สิ dag เนื้อ aut get ทราบใดยังมีรูปน้ำขันน่าแต่ทูกที่เรียนได้เคือเป็น Holly rewarded pot? น่าย chuckles ев bracket over t Sr Diddheld Ftry somebody Arena หากนลับแน่ไす組 eu Maßnahmen kit Yil chid per mirators same accepting ว่า c's is one of cerveau ใน populaiders AAG num far Nah female lads Sept find professional liب supportive ž faud has a death gene joke as sก ü từim douluck anybody hast, ทุกาน todo let me cry as it给ck out larger than Green mason Yo frold but it is véd parkage. ทุก anyway แล้วลง Extreme dj ปรินิพพานจะศูนย์คือไม่เกิดอีกแล้วถ้าไม่เช่นนั้นมันจะต้องเกิดอยู่อย่างเงี้ยคุณขณะนี้คุณเสร็จ แต่นี้มันแล้วเนี่ยมีความมีว่ามีเวทนาสัญญาสังขาร 3 นี่แล้วแต่ถ้าไม่ใช่วิญญาณได้ แรงพลังงานนี้เรียกว่าพลังงานชีวะที่มีที่เรียกว่าพลังงาน เป็นพลังงานระดับ จริงๆสัญญาก็ไม่ใช่โดยตรงอย่างที่ว่าเลยอธิบายฟังแล้วไม่ใช่สัญญาแท้ๆ เกิดถ้าไม่รู้จักโลกุตตรธรรมไม่สามารถปฏิบัติจนละล้างจนกระทั่งดับ ไม่หมดวิภวตัณหาเหมือนอย่างศาสนาพุทธไม่รู้จักรู้จักจิตปัญญารู้กิเลสอย่างละเอียดซ้อน พระเจ้าไม่มีสิทธิ์บอกว่านี่ให้เกิดให้ไม่เกิดพระเจ้าเป็นคนสั่งไม่มีสิทธิ์เราเอง ไม่ใช่พระเจ้าเป็นเจ้าพ่อเป็นเลยอยู่ในตัวเราเนี่ยก๊อดฟาเธอร์อยู่ใน ส่วนรวมอํานาจอื่นที่ไม่ใช่ตัว เขาก็คุณเป็นคนดีเขาจะรักคุณไหมเขาจะช่วยคุณไหมเป็นคนดีเขาจะรักคุณมั้ยเขาจะช่วยคุณมั้ยพลังพลังรวมของทุกๆคนนี่ช่วยคุณนั่นน่ะเกินกว่าคุณคนเดียวจะทําได้เพราะ ปาฏิหาริย์ไม่มีแต่มันไม่จะอยู่ๆเออปาฏิหาริย์คนนี้ก็เลือกเดี๋ยวปาฏิหาริย์ให้คนนี้แล้ววะเลือกให้ปาฏิหาริย์ เราวิบากไว้แล้ววิบากนั้นหนุนเนื่องเราวิบากนั้นจะต้องช่วยพิเศษที่จะเกินนี่ พระเจ้ามีแต่พระเจ้าไม่ใช่ของที่จะไปที่จะจี้เอาจากโน่นจากนี่ ถ้าเราช่วยตัวเองแล้ว ตัวเองน่ะแหละเป็นสําคัญตัวเองช่วยตัวนั่นล่ะคือ อย่าพึงไปลบหลู่ดูถูกอำนาจหรือมีพระเจ้าสําหรับอาตมาเท่าที่อาตมามีบุญบารมีของอาตมาคุณลบหลู่เพราะอะไร ถ้าจะแกล้งลบ ใช่มั้ยอย่างน้อยอย่างน้อยคุณไปลบหลู่บาปมั้ยบาปแล้วทําลายสิ่งที่ อวิชชาคุณไม่รู้จักสิ่งที่น่าเคารพคุณก็ยิ่งเข้าใจผิดใหญ่ก็ๆ เพราะงกรรมเนี่ยก็คือกรรมสัจจะตัดสินกรรมนี้เองที่อาตมาอธิบายในความ เอออย่าไปดูถูกเด็กเลยอย่าไปซ้ําเติมมันเด็กมันทําผิดเด็กมันก็ทําได้เท่าที่มันทํานั่น จริงๆแล้วมันน่าสงสารทั้งนั้นแม้ว่าเด็กก็น่าสงสารคน นี่พี่กำลังอธิบายแต่ถ้าสั้นๆว่าเฮ้ยช่วยทำลายไอ้นี่หน่อยสั้นแต่ที่จริงมันก็ แต่นี่วิธีพูดหรือว่าในวาระเวลา ทางป่าน่ะอย่าตัดต้นไม้เค้าว่ามันทํายังไงโวยทางป่าได้ตัดต้นไม้นะป่าหมายนั้นเมื่อ พอล้างอวิชชาเป็นพระอรหันต์แล้วก็คุณอยากเกิดอีกคุณอยากอะไรอีกก็ มันจะเหลือเศษส่วนมันกิเลสมันก็อาจจะล้าง ปุถุชนนี่คือคนยังไงปุถุชนนี่ก็คือคนที่มันไม่ สำนึกแปลว่ารู้สิ่งที่ไม่ ก็อยู่ยังปุถุชนน่ะกิเลสของเจ้าเรือนมันดีอะไรไม่ดีมันรู้บ้างเหมือนกันว่า คนในปุถุชนส่วนมากนี่นะเขาจะมีภาวะ บางคนตายจาก คนนั้นก็แก้ตัวหรือปรับตัวเข้าไปสู่ดีแล้วก็จะสังวรตัวเองมีการ วัฒนธรรมอย่างนี้ว่าดีเค้าก็ทําวัฒนธรรมอย่าง ก็ยังไม่เข้าโลกุตระคือยังไม่ได้เป็นแค่โสดาบันยังไม่รู้ลำดับยังสามารถก้าวย่างเข้าไปโดยเฉพาะก้าวย่างเข้าเขต แต่ถ้าคุณยังไม่ปฏิบัติให้มีจริงนะคุณไม่เที่ยงหรอกคุณไม่แน่นอนหรอกคุณแปรปรวนและสุดท้ายลืมไปเลยเพราะคุณจะ ไปอย่างโลกๆก็พาเป็นก็เอาเพราะงี้เราไม่ได้ลิ้มรสนี่เราไม่จะดีหรือเปล่าก็ยังไม่ได้ลองอ่ะคุณ จริงจะเรียกว่าเที่ยงได้ไม่ไม่ไม่ไม่เอาไปอันนั้นเองอันนี้ๆนี่มันมันมีสภาวะชัดเจนอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นคนในระดับกัลยาณชนแม้จะเป็นศาสนาหลายศาสนามากมายเลย ไม่ต้องไปถามอ้าวไม่ใช่ถ้าถามว่าอรหันต์หรือ 8 ก็เป็นลัทธิอื่นที่ไม่มี 3 ที่ นี่พูดอย่างโตตรัสไว้ชัดไม่มีเพราะเขาไม่มีทางไม่ถึงว่าเมตตา ยังไม่แม่นยังไม่ได้เป็นทิศทางที่ 8 นี้ยังไม่ได้อันนี้เพราะฉะนั้นจะไม่แท้ไม่แน่ไม่นอนเพราะ เมื่อไม่มีญาณวิเศษที่รู้จักประมาทแยกแยะวิเคราะห์กิเลสหย่าปรางดีชั่วที่เป็นธรรมะอย่างพุทธธรรมบอกอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีแน่ชัดจึงจะไม่ the Ten commandments ก็กลางๆ11 มี 12 มีมีแต่ 10 เออ 5 มี 8 มี 10 มี 227 มีอะไรมี 40 อะไร 46 จุลศีลไม่ใช่มหาสี 46 ใช่ 46 ก็อะไร นะศาสนาอื่นๆยิ่งบางศาสนาไม่มีหลักศีลอย่างนี้เลยไม่มีอ่ะตรงกลางอธิบายไปเป็น พื้นทรายเนี่ยซอระดับมันเรียบละไม่มีโขกชั้นไม่มีเป็นคลื่นเป็นชั้นเป็นโตกผาอะไรไม่เป็นหรอก นี่คําตรัสของพระพุทธเจ้าพวกนี้ละเอียดๆที่ท่านตรัสไว้ก็เป็น 18 ประเรียน 9 อะไรท่านเรียนมาทั้งนั้น ตามความเป็นจริงไม่เชื่อก็ชังอย่าลบหลู่นะในเชื่อแล้วอย่าลบหลู่อ่าคําหิสคํามิตรสมัย ได้ดีจริงๆเป็นคนเมื่อกี้ คนมีอยู่ 4 นี่ แกก็สามารถมีอภินิหารอะไรก็ได้เยอะแยะไปมากมายแล้วก็มีทรัพย์บุญจะได้บารมี ตอนมากแล้วมันก็เหลิงไปจนกินบุญเก่าไปมากๆจนจะถึง พอสั่งสมบุญไปกินบุญเก่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหนักเข้าเสื่อมลง เพราะฉะนั้นถ้าไม่เรียนเป็นโสดาให้ได้ชาตินี้ให้ได้ให้เฮ้ยยังไม่ตั้งหลัก อย่างน้อยเกิดมาเป็นชีวิตยังไม่รู้เลยว่าอยู่ที่ไหนบ้าง แต่ยังไม่มาแสดง ธรรมะ 4 ประโยคเป็นพระอหัญญมีองค์เดียวเลยคงไม่ ไม่ทอเดี่ยวเออคุณไม่รู้จักยอนยอนเบิ่งดิเออจริงอันนี้ทอจริงๆทอก็ไม่ได้หมายความ อ่าโอ้โหสังคมทุกวันนี้เนี่ยขนาดสังคมศาสนานะเมือง นี่ก็ยืนยันแล้วเนี่ยโอ๊ยพูดบอกว่าเมือง คิดถึงสิทธิมนุษยชนคิดถึงอะไรต่ออะไรต่างๆนานาในวาในครอบกว้างรอบ ขมในคนมีกิเลสขมเค้าทั้งนั้นอืมสู้ศาสนาพุทธไม่ได้สู้ศาสนาพุทธไม่ได้ศาสนา อะไรอย่างงี้แล้วแต่ถ้ามาในเมืองไทยแล้วไม่ว่าศาสนาไหนมาไหว้พระต้องพระไหว้พระไม่รับหลอไม่รับไหว้หรอกเมืองไทยเนี่ยพระของพวก <laughs> คือมีเชิงคอมมูนิตี้แล้วมีมวลมากด้วยมีเพื่อนมากนะมันก็เลยอย่างงี้ ถ้าว่าคนส่วนใหญ่ไม่เป็นคนข่มไม่เป็นคนข่มไม่เป็นคนถือดีถือสิทธิอะไรมากเกินไปพอยิ่งให้ เจ้าไม่เป็นสุขจะถูกคมถูกเบียดเบียนอะไรมากกว่านี้ไม่เป็นสุขแล้วลักษณะศาสนาพุทธก็ไม่ ถ้าจะเอากําไรมากๆเนี่ยเค้าเรียกว่าอะไรเอาฮะเรียกมันคลโลภจัดมัน เอาล่ะก็วิจารณ์กันไปอาตมาไม่ว่าเราเองจะไปข่มเค้าไม่ก็ไม่ เพราะถ้าเผอว่าใครยังไม่ เพราะฉะนั้นก็ได้แต่แค่อยู่อย่างนั้นแหละที่พุทธเจ้าท่านตรัสว่าเอาตัณหามาซึ่งผู้เข้าใจแล้วเชิงในอุปกิเลสที่เอา พบของสกิทาได้อนาคามแล้วเอาพบอรหันต์แล้วล้างพบของอรหันต์ซะล้างได้เสร็จคุณก็บรรลุสุดทีนี้คุณอยากจะ คุณเป็นคนที่เกิดเชิญแต่คุณยังยังอยากจะทุกข์อยู่เพราะ วิปากกับทุกข์ก็ของตัวเกิดแก่เจ็บตายก็ของตัวพยาธิทุกข์ก็ของตัวอ่าเอ่อวิวาธมันมีละวิวาธมูลกับทุกข์อันนี้ มันจะไปกระทบกระเทือนใครมันจะไปเดือดร้อนใครน่ะอาจารย์เดือดร้อนถ้าคุณ 6 มัน จะสร้างกุศลเพราะไม่ต้องมีทั้งปฏิคา 6 และทายกเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องอนุโลมให้คนเค้าช่วยเราบ้างทําอย่างนั้นแล้วก็แล้วจะทํายังไง ไปช่วยไอ้คนที่ไม่ดีคนไม่ดีก็มีกําลังมันก็มาทําลายสังคมอีกยังไงมันซับซ้อนเพราะฉะนั้นถ้าช่วย เอามาเพื่อตัวเพราะธนะตัวตนแล้วไม่ใช่ตัว แต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์อาตมาก็มีประมาณขนาดนี้ยังไม่รู้คนที่ หินหินก็จัดไว้ แต่ก็เพราะว่าทําแล้วเสร็จสับก็อยู่ในที่ที่ชัดเจนมาอะไร เพราะนั้นทุกวันนี้เนี่ยมันมันมันมันมัน ถกธรรมะ ไอ้ลาน อาทิตย์นี้ค่า อาศัยพึ่งพิงแล้วก็หามุมนั้นมุมวันพอว่างงานๆๆเค้าชาร์จหนักนะเนี่ยมาที่นี่ ตอนนี้เป็นไงสังโยชน์ 5 อ่าถามกันอะไรเงี้ยว่ากันคุย ผู้สัมพันคุยกันแต่จริงๆแล้วบันทึกในนั้นน่ะไม่ได้บันทึกกันการเรื่องของที่เอามาบันทึกไว้ในโดยเฉพาะของเถรวาทเนี่ยไปบันทึกเอาพระไตรปิฎกที่เป็นคัมภีร์หรือเป็นคําสอนที่เกี่ยวข้องกับภิกษุมาเยอะคารวาทน้อยส่วนของมหายานเค้ามีคารวาทเยอะแยะพุทธชนเค้าจะมีเลยโอ้พระพุทธเจ้าท่านตรัสยังไงกับคารวาทก็จะมีตัวอย่างเยอะแยะอวดอุตริ เนี่ยมันมันก็มีแต่ของภิกษุก็เลยแคบก็เลยอยู่อย่างนั้นน่ะมันก็เลยไม่ค่อย แล้วผมไม่มีแล้วบทบูติมันไม่เหมือนกับทั้งนี้ทีเดียวพระ แต่เทวดาไม่ได้เอามารวมไว้อ้าวไม่พออย่างงี้ก็เป็นปัญหานะก็ไม่ก็เอาเท่านั้นนะอ่า ไอ้มันก็ไม่ได้หมดไม่ได้เอาไม่ ฟังแล้วก็เอ่อเหมือนบ้านเริ่มใสโปร่งใจดียิ่ง ดังนั้นผู้ซึ่งได้รู้ชัดในความหมายธรรมัสสติสัมโพชฌงค์หรือ ตามที่เราได้รู้ได้กดใจแล้วก็กระทํา ตั้งตนให้มีสติสำโภชชง อยู่แม้จะพลาดคือสู่กิเลสไม่ได้บ้างนั่นเองก็ยังเป็น สำนึกประรึกรู้ตนอยู่เสมอทำตนให้มีสติ อย่าง เป็นจิตที่มีกุศลเป็นจิตที่รู้จักความดีความชั่วความควรความไม่ควร ครบองค์มรรคอ่ามีการดําริมีการนึกคิดมีการบอกการพูดกันมี การกระทํานั้นประจําอยู่เสมอ อะไรดีที่สุดดีเท่าไหร่เลี่ยงไปเมื่อกี้แล้วเนี่ยดีคือการชําระกิเลส ล้นเกินแล้วก็ยังอุตส่าห์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ล้นเกินอย่างนั้นนั่นแหละเป็นกิเลสถ้าบุคคลทําแต่พอเหมาะ แล้วจะทําอะไรอะไรก็เป็นเป็นประโยชน์คุณค่าอยู่ในตัวของมันสร้างสรรเจริญงอกงามหรือจะต้อง นั่งซึมเฉยๆนิ่งไม่รู้ทรืออยู่ถ้าแบบนั้นแล้วเป็นคนเฉื่อยอ่าเป็นคนเฉื่อยแล้วเป็นคน ก็โง่ลงโง่ลงเพราะฉะนั้นในระบบของโลกเค้าก็ๆนานาสรรพรรคนี่เค้าเค้าทําให้ฝึกปรือความคิดแม้แต่เด็กๆ ความคิดมันเฉื่อยพอมาเรามาปฏิบัติธรรมแล้วไปเรียนธรรมะในสายในสายซื่อบื้อในสายฤาษีก็มันหยุดคิดเพราะหยุดคิดเลยได้พาซื่อลูกซื่อเลย กลายเป็นคนโง่กลายเป็นคนไม่รู้เรื่องกลายเป็นแจ้งรู้จริงละเอียดละออสุขุมท่านถึงไม่ทําให้คนเสื่อมคนจะ ให้ก็คิดแต่อย่าคิดเป็นกามอย่าคิดเป็นพยาบาทอย่า ไปโกงเอาเค้าคนอื่นมาไปเอาเรียกเอารัดคนอื่น ไม่ใช่มันนั่งสึกกดจิตที่มันหยุดไม่ใช่ฝึกคิดคิดโดยปราศจากกิเลสสรุปง่ายๆคิดโดยปราศจาก จนมันละกิเลสล้างกิเลสออกไปได้เป็นขั้นๆศีลสูงขึ้นไปเรื่อยๆ จิตจริงคิดดีคิดใสคิดสะอาดคิดไม่ลำเอียงคิดอย่างมีปฏิภาณ แต่กองวิจารณ์เนี่ยยิ่งปฏิบัติยิ่งแยกวิเคราะห์กิเลสออกดับถูกตัวกิเลสหรือจิตแล้วก็ แล้วก็ล้างแต่เฉพาะให้กิเลสให้ถูกตัวจิตมันก็ยิ่งอิสระเสรีจิต ไอ้ที่ต้นไม้แล้วที่จะเปรียบเที่ยวนี่มันกาฝากมันน้อยแล้วกาฝากมัน อ่าเป็นตัวกาฝากเป็นตัวแฝงอะไรต่ออะไรก็ตัวเองสังเคราะห์เองติ ยิ่งยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไม่ได้หมายความว่ายิ่งปฏิบัติ ให้สุขุมประณีตชัดๆนี่เป็นจุดที่เลอเลิศเป็นจุดประเสริฐเป็นจุดที่เยี่ยมยอด ซึ่งเป็นวิธีการว่าจะทํายังไงหรือถึงจะเรียนรู้ องค์ประชุมวันนี้มันเกิดแล้วนะนี่เราลำกายกรรมวจีกรรมหรือทําการงานหรือกระสัพัดแต่ต้องเกี่ยวข้องกับอนันนี้แล้วมันก็เกิดสภาพนั้นขึ้นกายกรรมเอกายกรรมหยาบเห็นแล้วนี่เราไม่ถูกต้องแล้วนี่ผิด อ่าไปได้คิดเนี่ยมันล่วงล้ำเข้าไปผิดกรรมฐานผิดศีลที่เราได้ เราจะฉลาดตรงที่เราเรียนรู้สัจจะความจริงพวกนี้รู้กิเลสชัด แล้วไปปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติแล้วต้องเอามาพูดอธิบายสื่อกันเป็นอุทเทศกันได้อีกนะเพราะเราศึกษากันแล้วเราพูดเรารู้กันมันไม่มีตัวตน อาตมาพูดนี่มันถูกตัวไหนมันจําได้อยู่เอออันนี้เราทํามาผ่านมาคุณก็จะค่อยๆรู้มันก็ไม่แม่นทีเดียวนะ นึกว่า นั่งไปงั้นแหละถ้ามีศรัทธาไม่ภูมิไม่มีภูมิมีบารมีอะไรมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกเนี่ยอาตมาก็ไม่ดู พอนานๆไปก็รู้สึกว่าเนียนถ้าคบคุ้นกันก็พอรู้นะคบคุ้น จะทําพรางทําแฝงเอาไว้บ้างเวลาที่เราคบหากันนานๆมันก็จะบอกได้ทีละนิดทีละ มันมีวิธีการที่จะรู้ยิ่งเห็นจริงแล้วก็ไอ้เจ้านั่นน่ะ ก็ยังระลึกอยู่เพราะว่ามีเรื่องมันมีเชื่อไม่ใช่ตัวอาตมาเรา ไม่ใช่เราไปแกล้งจีบแล้วไปต่อแหลๆอ่ะอย่างเออคนนี้ก็น่ารักนะ แล้วก็จีบทั้ง 2 คนทีละทอมกันไปทางโนน ลักษณะกิเลสแบบเนี้ยเขาจะมีอย่างอาตมาหรือเปล่าอาตมาไม่รู้ๆมันของจริงของจริงแม้รักหรือชอบอะไรทั้งนั้นมีภาวะอาวรณ์คิดๆนั้น เอ่อนั่งคุยกันอยู่ได้ข้าวปลาไม่ต้องกินกันน่ะแต่ก่อนก็กินปลากินเนื้อนะอาการอย่างนั้นก็เคยอ่ะเคย พยายามนึกกันน่ะเอ๊ะมันจําลืมนะมันมันเป็นยังไงวะลืมแล้วมันชอบอะไรอร่อยอย่างนั้นน่ะ ตอนนี้ฉังนึกไม่ออกเมื่อมันนึกไม่ออกก็นึกว่าเอ๊ะมันไร้ค่าอย่างนั้นทําไมๆว่าไปใช้ มันไม่เห็นมันมีท่าอะไรมันไม่เห็นมีจริงอะไรเห็นมันมันไม่เห็นมีจริงอะไรมันไม่เห็นมันมันมันไม่กังวลแหมดิ้นรนจะเงิน ทำแล้วพอได้กันเอ่อได้คุยกันได้ไปเที่ยวด้วยกันเอ่อๆนานาก็แล้วแต่เถอะได้ที่เราคิดว่ามัน แต่มาคิดตอนนี้อาตมาก็นึกว่าไอ้ตัวสภาพสุขที่ว่านั้นน่ะมันนึกรดนั้น แจกภาษาออกมาสนธิสมาสอะไรกันยังไงก็ตามแต่อาตมามาดูแล้วโดยพระ เป็นกลายเป็นกองอ่าเราก็ได้เสียเวลามาแล้วเราก็ได้เสียแรง ถ้าไม่มาปฏิบัติธรรมแล้ว มันเชื่อแต่เพียงเหตุผลเชื่อในเหตุผลที่ว่าฟังเป็นเองนั่นแหละมันถึงมัน เออมันเป็นอย่างนี้นะมนุษย์เราได้ถูกหลอกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เออสุขเวทนาทุกข์เวทนา แล้วก็มีวุบวุบสมองสุขหนําหนีอีกแล้วไม่ต้องไปนั่งคิดนั่งอะไรเอาอะไรไม่ต้องจ่าย แต่ก่อนๆเอาๆนั้นมาร้อยเรียงเข้าเป็นหนังเป็นอ่าตำนานเป็นนิทานเป็นเรื่องโอ้น่าดูก็สร้างได้จะสร้างเชิงอาตมาไม่ นะเรื่องบูโรแมนติกพอได้นะเพราะในเรื่องสร้างหนังรักตัวอาตมามีเรื่องที่เรามาศึกษาเพราะฉะนั้นผู้ใดยัง ที่มันยังเป็นอยู่ผู้ที่ไม่รู้เขาก็พูดกับดีเป็นบุญต้องไปมีไม่ต้องไป อาตมาจะดูที่ว่าโอ้คิดเข้าจนตายแล้วเค้าก็มี อาตมาไม่คิดว่ามันจะไปตอมใจตายได้เพราะความรักเลยอาตมาว่า ให้พรากคุณรักไปสักปีนึงนี่รับรองไม่ตายกินข้าวไม่ต้องถึงปีหรอกไม่อดข้าวมัน เรารักในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเรารักในวัตถุเรารักในอะไรก็ ความดีที่กําลังพูดเนี่ยอาตมาความดีความดีที่ดีคือความดีที่ เป็นผู้รับใช้มนุษยชาติอื่นๆมันเป็นความดีที่ดีถ้าคุณ แล้วก็อร่อยเพราะได้ลาบมาได้ยศมาแลกเปลี่ยนมาอย่างน้อยไม่เอาลาบไม่เอายศเค้าก็สนับสนุน ถ้าเขานินทาว่าอย่างง้นอย่างนี้เราจําความหมายเรารู้แล้วว่าเขานินทาในเล่มชมชมเออจริง ตก็รู้แล้วคนนี้มันนิสัยจะจบประแจงนิสัยไม่เค้าเรื่องหรือว่าเค้ารู้ มันไม่มันจะไปจริงมันเกินจริงมันก็ยังชอบไอ้คนเรามันโง่มันชอบชกโยกยอปอปั่นแต่มา แต่ทั้งธรรมะเรา ควรมาสร้างความเป็นอย่างนี้มาสร้างความเป็นอย่างนี้มันเป็นวิธีการของมนุษย์จะสื่อนำพากันมันมัน แล้วเราเอง มันไม่ง่ายนะที่คุณจะรู้ว่ามันมีอาการหรือเหลือเล็กเหลือน้อยมันก็ยิ่ง จะมาเกิดเป็นพระโพธิสัตว์อีกต่อไปต่อไปก็ไม่ว่าอะไรคุณตั้ง มันจะไปไปทิศทางสะสมสร้างให้แก่ตัวแก่ตนเห็นแก่ตัว แต่เค้าเคยมีสติสัมปชัญญะ ในทีโดยความหยาบๆน่ะโดยลวกๆอ่ะเออเรารักความเห็นแก่ตัวหน่อยไป จะเก่งมันยังไม่ค่อยจะได้ทิ้งมันไม่ค่อยจะอยู่สั่งแต่ว่าทําไปนั่นแหละเพราะคนโลกโลนี่มีสติสัปปชัญญะสามันมีสติสามันมีสติโลกิยะเค้าก็ว่า ทฤษฎี 7 มรรค 8 ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดเท่านั้นถึงมีโพชฌงค์ 7 พระพุทธเจ้าเกิดเท่า โอ้โธ่ไปพูดทําไมมีแล้วดียิ่งๆสภาวะธรรมที่เราไม่รู้กิเลส เออว่าแล้วว่าจับแม่นนะวันนี้เอ่อโอ้โหวันนี้จ้ำแจ้งเลยวันนี้ทําได้อย่างแข็งแรงพอวันลุ่งขึ้นมาอีกเอ๊ะทําไมมันยังมีหน้ามาอีกนะมันยังมาเล่นอาการไม่เบาอีกนะ ก็ referred to as you mother, my染 variance, all right in my body so it will obtain well known. Rehdad because of our challenge, it has capacity to hear so as it empieza. Denn it allows us to destroy the path of yatim into the air and why we stand obedient from the courage about it. There is no other issue